ถามว่าการกำหนดสังขารหรือการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะย่อมตามรักษาศีลได้อย่างไรตอบว่าผู้ใดไม่มีการกำหนดสังขารคำว่ากำหนดเนี่ยคือไม่ทำปริญยาสามในสังขารผู้นั้นย่อมมีความรักอย่างรุนแรงในอัตภาพนะจะรักรั ก, ร, กร่างกายจริงๆอย่างนั้นจะรักว่ารูปของเราวิญญาณของเราสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของเราอ่าั ผู้นั้นเมื่อเผชิญทุพพิกภัยทุพพิกภัยก็คือข้าวยากหมากแพงและพยาธิภัยเป็นต้นภัยคือความเจ็บป่วยเห็นป่า น, นั้นย่อมทำลายศีลแล้วถนอมอัตภาพไว้แปะว่าโอ้ยหิวหิวมากๆเข้าเย็นๆเออไม่มีใครประเคนเอายกกินเองก็ได้หรือหรือว่าบางทีเนี่ยหั ตอนเช้าไม่มีอาหารมีแต่ตอนเย็นยังไงยอมรักยอมขาดศีลก่อนรักษาอัตภาพไว้ก่อนไม่ตายคงรักษาศีลได้แล้วเว้ยก็เลยเอาก่อนนะยังไงก็ว่ามัวแต่รักร่างกายมากๆ ก, ก็เลยยอมเสียศีลเสียธรรมไปเลยอันนี้ก็มีส่วนผู้ใดมีการกําหนดสังขารผู้นั้นย่อมไม่มีความรักอย่างรุนแรงหรือมีความสเสน่หาในอัตภาพสเสน่หานี่หมายถึงอะไรรู้ไหมสเสน่หานี่เป็นชื่อของยางเหนียวเหมอนกัน สเสนหานี่แปลว่ายางเหนียวสเสนหานี่ยางเหนียวนะคือตันหานะถ้าหากว่ามียางเหนียวคือสเสนหาในตันในอั ต, ตภาพเมื่อเขาเผชิญทุพพิกภัยและพญาทีภัยเป็นต้นเห็นป่านนั้นถึงแม้ว่าไส้ใหญ่ของเขาจะไหลออกมาข้างนอกเหมือนกันแต่ว่ามันหิวจนลำไส้มันวิ่งออกมาข้างนอ ก, ก น, นะสำนว น, นว่าลมมันวิ่งคึกคักเแหละ ถ้าหากว่าเขาจะสู้พร้อมสู้ซีดหรือขาดออกเป็นท่อนๆตั้งร้อยท่อนพันท่อนเขาก็จะไม่ทําลายศีลแล้วถนอมอัตภาพไว้เลยการกําหนดสังขารย่อมตามรักษาศีลได้อย่างนี้นะเนี่ยเพราะว่านั้นพระองค์ก็เลยพูดถึงศีลแล้วต่อสมาธิแล้วต่อวิปัสสนาเพราะว่าสมาธิและ ว, วิปัสสนาทําให้ตามรักษาศีลต่อไปศีลจะดํารงอยู่ได้เมื่อมี สมาธิและวิปัสสนาเป็นเรื่องที่น่าคิดน ะ, ะเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องบารมีสิด้วยบารมีสินี้จะแสดงศีลบารมีแล้วต่อด้วยเนคข ม, มะบารมีและปัญญาบารมีเนคข ม, มะบารมีนั่นแหละคือสมถะปัญญาบารมีนั่นแหละคือวิปัสสนาเพราะว่าศีลที่คนจะรักษาอยู่ได้ก็อาศัยเนคข ม, มะคือสมถะและวิปัสสนานั่นแหละมาเครื่องหล่อเลี้ยงรักษาศีลไว้ได้ แต่ถ้ารักษาศีลแล้วไม่เจริญสมถไม่เจริญวิปัสนาต่อไปศีลอันนั้นเป็นเหตุใกล้ให้ให้อะไรให้ผิดศีลได้ง่ายๆนะเพราะทำให้เกิดการคลุกคลีเป็นต้นถ้าไม่เจริญสมถะทำอะไรใช่ไหมก็คลุกคลีถ้าคลุกคลีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เสียศีแลแล้วเพราะฉะนั้นสมถะวิปัสนานั่นแหละทำให้ตามรักษาศีลไว้ทัน เวลาพูดถึงศีลแล้วก็กล่าวถึงสมถะและวิปัสนาต่อไปเพราะคนที่จะรักษาศีลได้ดีนั้นคนนั้นจะต้องรักษาสมถะเจริญสมถะและเจริญวิปัสนาด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะภิกษุผู้หวังคุณธรรมสีประการเหล่านี้ว่านะนะบอกว่าถ้าเราจะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือยกย่องของเพื่อนสะพรหมจารีทั้งหลายนะถ้าอยากให้เป็นคนพิเศษของเพื่อนเพ่อนหือนั้นเด้อ ทำตัวยังไงก็คือบอกว่าไม่มีกิจที่จะต้องทำอะไรอย่างอื่นแต่พึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นโดยแท้เพราะว่าพิกษุผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเช่นนี้ย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลาย แต่นะพูดถึงตรงนี้นะถ้าอยากให้ลูกหลานเคารพยำเกรงเชื่อฟังโอวาททำยังไงรักษาศีลมากๆแล้วลูกหลานจะเคารพเชื่อถือยำเกรงเองนะเชื่อนะถ้าศึกษาเรื่องศีลให้เข้าใจและรักษาศีลให้ดีๆถ้าลูกหลานไม่เคารพไม่ยำเกรงนี่แสดงว่าลูกหลานนั้นเป็นพานเต็มทีแล้วล่ะเนี่ยนะสมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าชน ย่อมทำบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะนะคนที่มีศีลดีและมีความเห็นที่ชอบผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าวคําจริงผู้ทําการงานของตนให้เป็นที่รักเออเนี่ยนะที่จริงคนเนี่ยศรัทธาว่า ง, งั้นเถิดศรัทธาคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นชื่อของปัญญาตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็มีปกติพูดคําจริงแต่มีคําพิเศษอย่างผู้ทําการงานของตน ตนในที่นี้คืออะไรคาว่าตนนะตนในที่นี้หมายถึงอะไรพุทธพจน์เลยนะบอกว่าตนผู้ทาการงานของตนงานของตนจริงๆอ่ะคืออะไระหมายถึงกุศลจิตนะคนที่รักษากุศลจิตเพิ่มพูนกุศลจิตตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าผู้ทำการงานของตนนะแต่ถ้าหากว่ากุศลจิตไม่เกิดเนี่ยทำลายประโยชน์ตนไปแล้วเนี่ยนะนะเพราะนั้นก็บอกว่า ถ้าเราจริงๆเนี่ยต้องเป็นกุศลใช่ไหมบางแห่งเนี่ยกล่าวเลยทำไมจิตที่เป็นกุศลจึงกล่าวว่าตนจิตอื่นๆไม่ใช่ตนหรือกระบอกไม่ใช่โลภะมันเกิดมันทาลายอย่างนั้นโทสะเกิดมันทําลายโมหะเกิดไม่ทําลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ชื่อว่าตนคือคำว่าตนนี้เป็นศัพท์กว้างๆในพุทธศาสนานะไม่ได้หมายถึงส ก, กายะตีิฐิเสมอไปเนี่ยนะ พราะคำว่าอัตตาเนี่ยแปลว่าตนคำว่าอัตตาถ้าบวกกับทิฏฐิเข้าไปเป็นอัตตานุทิฏฐิหรือสกาญาทิฏฐิอันนั้นเป็นกิเลสเมื่อกิเลสเข้ามาแทรกแล้วนะแต่ถ้าคำว่าตนเฉยๆเนี่ยเป็นชื่อของกุศ ล, ลจิตนั่นเองเห็นไหมเช่นบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมฝึกตนตรงนี้ก็ผู้ทําการงานของตนงนะก็คือทําจิตให้เป็นกุศลนั่นแหละเนี่นยนะพวกอัตตาสัมมาปนิธิอัตตก็ตนอีกนั่นแหละ ปณิที่แปลว่าตั้งะสำมาแปลว่าชอบตั้งจิตเอาไว้โดยชอบเป็นมงคลนะเอตัมมังคารมุตตัมมังถ้าไม่ตั้งจิตไว้ชอบเป็นอัปมงคลนะตั้งจิตไว้ชอบนะตั้งตนไว้ชอบตั้งอย่างไรชื่อว่าตั้งใช่ไหมเอ้าเพราะจิตที่ดับไปแล้วมันก็ก็ดับไปแล้วอ่ะจิตที่กําลังเกิดขึ้นก็จักดับต่อไปไอ้จิตที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดเอ๊ะจะตั้งไหมยังไงตั้งตั้งยังไง ท่านบอกงี้บอกว่าผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาก็ตั้งเพื่อที่ให้มีศรัทธานะผู้ที่ยังไม่มีศีลก็ตั้งให้มีศีลผู้ที่ยังไม่ถึงไตรสรณคมก็ตั้งให้มีถึงไตรสรณคมผู้ที่ยังไม่ให้ทานก็ตั้งเพื่อที่จะให้ทานผู้ที่ยังไม่เจริญสมถะไม่เจริญวิปัสสนาก็ตั้งเพื่อให้สมถะและวิปัสสนาเหล่านั้นเกิดขึ้นนะผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลก็ตั้งจิตไว้เพื่อบรรลุมรรคผลต่อไป อย่างนี้ชื่อว่าตั้งจิตไว้ชอบนะที่จริงมันมันไม่มีใครตั้งอยู่ได้หรอกคำว่าตั้งในที่นี้ก็คือเหมือนกับเข็มทิศนั่นเองอ่นนะอ่าเหมือนกับเบนเบนความคิดไปเพื่อความคิดที่สูงสูงขึ้นไปอ่นนะการเบนความคิดในลักษณะนี้แหละเรียกว่าตั้งจิตไว้ชอบไม่ได้ไปตั้งวัดเดินั่งตรงเรียกเลยนะตั้งเหมือนคนนั่งแข็งทื่ออย่างนั้นอนะ่ะอันนี้ไม่ใช่น ะ, ะตั้งจิตก็คือสมมติว่าคนโกรธ ตั้งเพื่อให้มีเมตตาอันนี้ชื่อว่าตั้งจิตไว้ชอบอ น, น, นคนที่ล่วงอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพูดไวจ้จีทุจริตออกไปแล้วตั้งว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ให้คำนี้ออกมาอีกนะจะไม่ละเมิดแบบนี้อีกเลยอันนี้ก็ชื่อว่าตั้งจิตไว้ชอบเห็นถึงกับโกรธตำหนิคนอื่นว่าร้ายคนอื่นเสร็จแล้วก็เอ๊นี่มีโทษนะไม่ดีตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ทาในลักษณะนั้นอีกเนไ หรือว่าพออกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นแล้วก็ให้ทานเป็นต้นเพื่อที่ว่าทานนี้จงเป็นอุปนิสัยเพื่อกําจัดอกุศลบาปประทำเหล่านี้อย่างนี้ก็ชื่อว่าตั้งจิตไว้ชอบอะนะอย่างพระวินัยเนี่ยนะก็ไม่ได้กล่าวว่าโอ้โหผิดไม่ได้เลยนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่กล่าวบอกว่าถ้าผิดแล้วทาคืนนะอ่าการทําคืนพระวินัยนี่แหละชื่อว่าตั้งจิตไว้ทอบอข้าพเจ้าจากไม่ทําอย่างนี้อีกต่อไปเห็นไหม อย่างอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดอ้าวผิดศีลมาแล้วจะทำยังไงอ่ะตั้งจิตใหม่อันปาติโมกสังวรตั้งจิตให้ชอบโดยการแสดงคืนอินทรีสังวรทาไงจึงจะเชื่อว่าตั้งจิตว้ชอบบริสุทธิ์ได้ยังไงบริสุทธิ์ด้วยการอธิษฐานหรือการสมาทานว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ให้เป็นแบบนี้อีกอ น, นะจะไม่ปล่อยใจแบบนี้อีกแล้วแล้วก็ถ้าเป็น ปัจยสานิสิตตศีนจะต้องพิจารณานะจะต้องตั้งให้พิจารณาจึงจะบริสุทธิ์ถ้าอาชีวบริสุทธิ์ที่ศีนต้องตั้งเพื่อให้มีความเพียรโอ้พอเราขาดความเพียรขาดความพยายามแท้เราจึงได้เสียศีนเสียธรรมอันนี้ขึ้นก็ทําให้เกิดความเพียรพยายามอั น, น, นความเพียรความพยายามนั่นแหละชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิทิตามสมควรแก่อย่างเช่นตั้งอัตตสัมมาปณิทิอย่างนี้ก็ได้นะ เราไม่ได้เจริญพุทธคุณก็ตั้งเพื่อที่จะเจริญพุทธคุณอย่างน้อยที่สุดจะต้องเจริญพุทธคุณวันละครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะวันไหนเจริญไม่ได้ขอสวดพุทธคุณก็ยังดีวันไหนอุ้ยนั่งอารหังก็ไกลาจากกิเลสนะงานมันแทรกเข้ามาก็ไม่เอาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิ ช, ชาจรณะสัมปันโนรือไม่ก็สวดแปลไปเลยเห็นไหแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นสวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะถ้าเจริญไม่ได้ก็อ่ะก็ยังดีปลูกฟังอุปนิสัยที่จะ จเจริญอย่างนี้ก็ดีแล้ววันต่ อ, ตอไปอเพิ่มอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิธิหรือตั้งแบบนี้ก็ได้จะศึกษาเรื่องศีลให้เข้าใจแล้วจะสังวรตามศีลที่เราศึกษานั่นแหละลักษณะนี้ก็ชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิทิอัตตะสัมมาปณิทิเนี่ยเป็นเหตุใกล้อย่างหนึ่งให้กุศลจิตเกิดเพราะอัตตะสัมมาปณิทิก็คือโยนิโสมนัสิการนี้เป็นเหตุใกล้ให้กุศลจิตเกิด ถ้าเรามีอัตาสัมมาปณิที่จะให้ทานอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งทานถ้าตั้งแบบนี้เพื่อจะรักษาศีลอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งศีลถ้าตั้งอย่างนี้เพื่อจะเจริญสมถะและวิปัสสนาต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุใกล้แห่งสมถะและวิปัสสนาคนที่ตั้งแบบนี้บ่อยๆนั่นแหละสะสมทำเหตุเาเรียกว่าคนมีบุญบุญเก่าของงนเถอะถ้าคนที่ตั้งแบบนี้นบ่อยๆเนี่ยนะการตั้งแบบนี้ ถ้าถ้าผู้ระยะยาวเป็นเหตุให้ไปเกิดได้เกิดในปฏิรูประเทศวาสะเนี่ยนะถ้าหากว่ากล่าวตามคัมภีเนติปกรณ์นะเป็นเหตุให้ไปเกิดในปฏิรูประเทศวาสะเมื่อเกิดในปฏิรูประเทศวาสะก็จะมากไปด้วยสัตว์บุรุษเนี่ยนะจำมากไปด้วยสับบุรุษใช่นะไหมสับบุรุษอยู่ที่ไหนที่นั้นเรียกว่าสับ ป, ปฏิรูประเทศวาสะประเทศที่สมควรอ่ะนะเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสับบุรุษพอสับบุรุษท่านไปชวนเราเพอเลช์ ชวนเพื่อเจอเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่แน่นอนอนะอาจจะมียี่ห้อติดก็ช่างเถอะแต่ว่าชวนเพื่อเจอไม่ใช่สัตว์บรุษแล้วเป็นพานแล้ว น, น, นะถ้าใครมาบอกว่าอาตามามเป็นสัตว์บรุษขอให้รู้เถอะว่าชวนคุยเพื่อเจอเมื่อไหร่ขอให้รู้เถอะว่าขณะนั้นเนี่ยพาได้แทรกเข้ามาตั้งนานแล้แต่อาจจะมียี่ห้อติดไปนิดหน่อยนั่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วพาเรธรรมมาเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นฉะนั้นเป็นคนพานไม่ใช่บัณฑิตนั่นนะอาตาก็ คือก็อยู่ในส่วนของอธิษฐานด้วยเกี่ยวเนื่องกันการอธิษฐานนะคือถ้าจะพูดว่าอธิษฐานตรงๆไปเลยเดี๋ยวก็จะจะมีส่วนอื่นด้วยนะคืออธิษฐานนั่นแหละถ้าหากว่าได้เกี่ยวข้องกับศัพ บ, บุรุษการคบรบศัพ์บรุษที่บริบูรณ์เป็นไงอันนี้สองอ่ะก็ทําให้ได้ฟังสัตว์ธรรมที่บริบูรณ์การฟังสัตยธรรม ท, ที่บริบูรณ์ทําให้อะไรบริบูรณ์ ทำให้มีศรัทธาที่บริบูรณ์ศรัรทธ า, าที่บริบูรณ์ทาให้มีทําให้มีอะไรโยนิโสมนัิการบริบูรณ์โยนิโสมนัสการที่บริบูรณ์ทําให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ทําให้อะไรอินทรีสังวรบริบูรณ์อินทรียสังวรที่บริบูรณ์ย่อมทําให้สุดจิตสามบริบูรณ์นะถ้ามีอินทรียสังวรในอารมณ์ทุกๆอารมณ์นะสุดจิตสามจะบริบูรณ์ ถ้าสุจริตสามบริบูรณ์ทําให้สติปัญฐาสี่บริบูรณ์ถ้าสติปัญฐาสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังพ่อชองเจตให้บริบูรณ์พ่อชองเจตที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุติเป็นต้นให้บริบูรณ์กบอกเหมือนกันน้ําตกบนยอดเขานี่ยแหละถ้ามันตกหนักจริงๆแล้วนะมันจะทําให้น้ำเนี่ยบาท่วมท่วมๆ่วมท่วมไปถึงยางสมุทรสาครให้บริบูรณ์นั่นแหละถ้ากุศลธรรมเหล่านี้บริบูรณ์ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่สามารถจะตรัสรู้ทำในวันนี้ได้ในชาตินี้ได้อนนะชาวันนี้ก็ไม่บรรลุ u, พรุ่งนี้ก็แล้วเดือนนี้ก็แล้วปีนี้ก็แล้วเอ๊ะผ่านไปหลายปีกว่าแล้วปฐมมาไวก็ผ่านมาแล้วมัชชิมาไวก็ผ่านมาแล้วปัจฉิมาไวไม่ในบรรลุอนนะเอาใกล้ๆตอนใกล้ๆอ่ะถ้าใกล้ๆแล้วไม่ในบรรลุ Люб อ่ะชาติใหม่ก็แล้วกันถ้าชาติใหม่ไม่ในบรรลุ Bod u, ไม่ต้องกลัวขอให้มีบุญเก่าไว้แล้ว คนที่มีบุญเก่ามาแล้วเนี่ยนะบอกว่าเพราะพระพุทธเจ้าตรัส ก, กับพระอ น, นุ์ว่าอา น, นุนเธอนี่เป็นกะตะปุญโญอย่างนั้นเลยนะเธอนี่เป็นคนที่สะสมบุญไว้แล้วขอให้เธอทําความเพียรเธอไม่เธอจะเป็นผู้ตรัสรู้เป็นพระรันโดยฉับพลันพระพุทธเจ้าตรัส ก, กับพระอนุนไว้อย่างงั้นจริงจนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเออรอยู่แล้วเธอจักบรรลุเองนะเพราะเธอสะสมมาแล้วไม่ใช่พระองค์บอกว่าขอให้เธอทําความเพียรเธอ เธอนี้เป็นผู้ที่สะสมบุญไว้แล้วเธอจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยฉับพลันนะพระโดนเนี่ยระลึกถึงโอวาทอันนี้แล้วก็ทําให้ท่านคือตอนนั้นท่านเดินยองกรมมากจะเอาให้มันลุให้ได้อะมันฟุ้งซ่านแล้วก็นึกถึงโอวาทอันนั้นเข้าเอแสดงว่าเรานี้เพียรเกินไปเพราะว่าสังเกตรู้แล้วว่าฟุ้งซ่านท่านก็เลยจะผ่อนไอ้ความเพียรอันนั้นเพื่อที่จะปรับสมาธิขึ้นอีกหน่อยอนะ น, นก็อินทรีย์บริบูรณ์ท่านก็เลยบรรลุเป็นผ้าอรหันเลยอ่นั้นนะล้มตัวลงนอนหัวจะถึงหมอนเท้ายกขึ้นบรรลุเป็นผ้าอรหันเลยนนนะอนเพราะมีบุญไว้แล้วงั้นแต่ของเราถ้าไม่ได้บรรลุชาตินี้ก็ถ้าสะสมไว้แล้วก็สบายใจก่อนนะแต่ถ้าไม่สะสมไว้แล้วเนี่ยพูดยังไงมันก็มืดไปทุกทิศนั่นแหละชาติหน้าก็ มองไม่เห็นเลยนะอะไรก็มืดไปหมดเงมือนกันชีวิตจะเป็นยังไงเนาะที่สุดแห่งกองทุกจะอยู่ที่ไหนเนาะมองไม่เห็นช่องมองไม่เห็นทางมันชีวิตหมามันยังอาภัพเหลือเกินนะนถ้าข้าสะสมบุญไว้แนละ้วไม่ต้องไปหนักใจอะไรหรอกเปนี่จะไม่เข้าอา น, นิสง ส, งนน ส, งขงส์ข้อที่สองทีอานิสงส์ของศีลข้อที่สองว่างไงก็บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายถ้าภิกษุ จะพึงหวังว่าขอเราพึงได้จีวรบินทบัตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเพสัชบริขาเรเถิดคือถ้าอยากได้ปัจจัย4วังนั้นเถอะภิกษุนั้นควรกระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญาคานนะก็บอกว่าถ้าอยากได้ปัจจสี่นะ ให้ทําศีลให้บริบูรณ์ตรงนี้อัตถกถาท่านแก้หน้าฟังมากก็บอกว่าบัดนี้เพราะเหตุที่ภิกษุปราลบปรารถนาปัจจัยมีลาบเป็นต้นนะปัตปราธนาปั จ, จัยคือจีวรบินทบาตเนี่ยนะพึงทํากิจอย่างนี้อย่างเดียวไม่ถึงทํากิจอะไรอะไ ร, อ, ะไรอื่นจากนี้ถ้าอยากได้จีวรบินทบาทเป็นต้นเนี่ยอย่าไปทําอย่างอื่นนะให้รักษาศีลอย่างเดียวว่า ง, งั้นอ่า ทอองจึงได้ตรัสทำเมียที่ว่าดูกรพิสุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีลาบดังนี้เป็นต้นอ้าทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นว่าเออในที่นี้อย่าพึงเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการบรรําเพ็ญศีลเป็นต้นซึ่งมีลาบเป็นนิมิตเอาไว้นะคืออย่าไปคิดว่าฉันจะรักษาศีลนะนะฉันจะได้จีวร อ, อย่างนี้นะเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสปฏิเสธ การแสวงหาลาบนะไม่ได้ว่าพรหมจันทร์นี้พระองค์บอกเลยนะพรหมจันทร์คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยพรหมจันทร์อันนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อลาบสาการะและชื่อเสียงพรหมจันทร์นี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อเจ้าหมู่เจ้าคณะพรหมจันทร์นี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อเป็นเจ้าลทัทธิคอยแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมพรหมจันทร์นี้ไม่ได้ร้องเรียกให้คนมานับถือเป็นต้นเอาแล้วพรหมจันทร์นี้เพื่ออะไร ก็บอกว่าพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อสังวรนะสังวระนะพรหมจรรย์นี้เพื่อสังวรเพื่อปหานะสังวรมีเท่าไหร่นะสังวรห้าปหานะมี5นะเป็นพรหมจรรย์นี้เพื่อสังวรเพื่อปฐานะนะเพื่อนี่วิราคะเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อ น, นิพพานเน่ยนะอันนี้พรหมจรรย์นี่เป็นลักษณะนี้ไม่ได้พรหมจรรย์เพื่อลาบสการะชื่อเสียงเนี่ยเอ๊แต่าหากว่าบอกว่าอยากได้จีวรบินทบาทเสนาสนะเอากวารักษาศีลสิเดี๋ยวจะได้จีวรอันนี้ก็ทําเพื่อลาบสิเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัดหมายความในลักษณะนี้นะบอกว่าโอหอยากร่ำอยากรวยอยากมั่งอยากมีจะได้จีวรเยอะๆกุติงามๆก็รักษาศีลเอาสิาไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวไปเข้าใจผิดไม่ได้นะ เนะพราะองไม่ได้ตรัสวาจาที่าพาดพิงถึงลาบทรงโอวาทแก่พระสาวกอย่างนี้